มูลเหตุให้เกิดการอุปสมบทด้วยยติจตุตกรรมเรื่องพราหมณ์สู้ผอมเพราะไม่ได้บวชข้อ69สมัยนั้นพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอการบรรพชาภิกษุทั้งหลายไม่ประสงค์จะให้เขาบรรพชาเขาเมื่อไม่ได้การบรรพชาในหมู่ภิกษุจึงสู้ผอมมองคาสีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพัง พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์นั้นสู้ผอมมองคล้ำสีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพรั่งจึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทำไมพราหมณ์ผู้นั้นจึงได้สู้ผอมมองคล้ำสีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพรั่งเล่าภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าพราหมณ์นั้นได้เข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอการบรรพชาภิกษุทั้งหลายไม่ประสงค์จะให้เขาบรรพชา เขาเมื่อไม่ได้การบรรพชาในหมู่ภิกษุจึงสู้ผอมมองคล้าสีเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพั่งพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายใครระลึกความดีของพราหมณ์นั้นได้บ้างเมื่อตรัสถามอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าพระองค์ระลึกความดีของพราหมณ์นั้นได้พระพุทธเจ้าค่าสารีบุตรเธอระลึกความดีอะไรของพราหมณ์นั้นได้พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์เที่ยวบินธบาตในกรุงราชคลีนี้พราหมณ์นั้นได้ถวายพิกษาทัพพีหนึ่งข้าพระองค์ระลึกความดีนี้ของพราหมณ์นั้นได้พระพุทธเจ้าข่าดีละสารีบุตร จริงอยู่สัตบุรุษทั้งหลายเป็นผู้กระตันญูกระตะเวทีสารีบุตรถ้าเช่นนั้นเธอจงให้พราหมณ์นั้นบนรรพชาอุปสมบทเถิดข้าพระองค์จะให้พราหมณ์นั้นบนรรพชาอุปสมบทอย่างไรพระพุทธเจ้าข้า